วันนี้หลวงพ่อได้เห็นคณะธรรมทานพวกเราหลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นใจในพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับว่าพระพุทธศาสนายังมีคณะศรัทธาญาติโยมให้ความสนใจอย่างมากยังอุนอ่นหนาฝาคั่งว่างัตและแล้วหลวงพ่อเห็นพวกคนหนุ่มพวกหนุ่มพวกเด็กเด็กหนุ่ม หนุ่มสาวเข้าว่าเข้าศึกษาอยู่ในวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็เห็นแล้วก็อบอุ่นใจเหมือนกันถ้าว่ามีแต่ผู้สูงอายุเข้ามาวัด ห, หลวงพ่อก็คิดคิดดูเหมือนกันเออถ้าหางว่าพวกผู้สูงอายุผ่านไปแล้วไม่มีทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาจะทำยังไงหลวงพ่อก็คิดไปอีกในรูปแบบหนึ่งแต่พอมาเห็น ลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกระดับที่เข้ามาสนใจพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองก็อบอุ่นเหมือนกันแต่อบอุ่นอบอุ่นทางจิตใจพราะเหตุลไรพ่อหลวงพ่ออยู่อยู่วงในเหมือนกันแต่อยู่วงเป็นพระเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้เสียสละเว ล, เวลาเวลาเสียทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่อการบุญการกุศลในครั้งนี้ ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาแล้วก็พวกเราได้ทำบุญตามลำดับวัดมาและวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์เมื่อวานเป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ พร้อมกันทั้งสมรัตน์อุบัติขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อ 2,550 ปีให้หลัง mm hmm. เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นอันว่าสองวันนี้เป็นวันสําคัญแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ให้ความสําคัญทั้งสองวันก็ไม่สําคัญเพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้ไม่ให้ความสนใจแต่ถ้าว่าพวกเราให้ความสนใจเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งที่พวกเรายึดตั้งแต่ พวกเรารู้จักเตียงสาภาวะพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายพากราบพระพุทธังทำมังสงั ง, สงคังสารนังคัจฉามิเนี่ยอันนี้พวกเราระลึกได้ตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กๆ ก, ก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเก่านี้แหละเมื่อวานเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์พระพุทธเจ้าบำเพ็ญออกบำเพ็ญอยู่ในป่าหกปีได้ตัดรู้ธรรม จากนั้นเมื่อได้ตัดสรุปธรรมก็นำธรรมคําสั่งสอนของะองค์มาเทศนาให้ปัญจวคีร์ทั้งห้าฟังปัญจวคีร์ทั้งห้าฟังแล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ผูกง่ายๆนะได้เป็นพระสงฆ์เจว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุปธรรมนําพระธรรมมาประกาศให้แก่พุทธบริษัทเพราะพระองค์ฟังพระปัญจวคีร์ทั้ง5ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะัพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเมื่อวนันวันวันคล้ายคล้ายวันที่ได้ตัดรู้ว่าวันอาสาหะบูชานะแต่วันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์พระที่จาพรรษาที่วัดของหลวงพ่อปีนี้ถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับประมาณไม่ใช่ประมาณสามสิบห้ารูปนะพระสามสิบห้ารูป จำพรรษาที่วัดหลวงพ่อปีนี้เปรียบปีที่แล้วเนี่ยก็สามสิบสามหรืออะไรนี่แหละปีนี้สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่บางปีถึงสี่ิบกว่าองคนะสี่สิบหกงก็เคยมีะจำพรรษาที่นี่ปีนี้รู้สึกว่าลดถ้าจะว่าไปแล้วก็ลดลงแต่ก็เพิ่มกว่าปีที่แล้วที่พระจะจำพรรษาที่นี่แล้วก็มีพระต่างชาติด้วยนะที่พวกญาติโยมได้เห็นอมีพระต่างชาติทั้งหมดห้ารูปเอ อเมริกาออสเตรเลียเยอรมันไต้หวันนะที่ที่อยู่ที่นี่แล้วก็มีอินโดนีเซียอินโดนีเซียนเป็นอุบาสิกาเป็นโยมผู้หญิงสองเพราะนั้นวัดกองหลวงพ่อนี่เป็นวัดนานาชาติเหมือนกันนะ <c oughs> วัดวัดนานาชาติวัดหลวงพ่อเ <c oughs> นี่นแหละพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ทุกท่านนะที่มาวัดหลวงพ่อหลวงพ่อจะขอกล่าวเตือนเตือนกันถ้าหากว่าพุทธบริษัทสีไม่กล่าวเตือนกันแล้วจะให้ใครมากล่าวเตือนกันกล่าวตักเตือนคล้ายๆว่าอย่าหลงอย่าลืมอย่าประมาทจนเกินไปนะพวกเราเนะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนอะพวกเรานะ อันนี้คือพุทธบริษัทเตือนกันหลวงพ่อก็แนะนําพระสงฆ์ก็กล่าวเตือนพวกเราทุกทท่านเตือนทั้งหลวงพ่อด้วยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงพ่อวันในพรรษานี้ที่จะถึงนี้พวกเราจะเตรียมกายเตรียมใจอย่างไรบ้างที่จะประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้สนใจอะไรเลยวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปก็เหมือนกับ เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันผ่านไปถึงจะอยู่ยังไงมันก็ผ่านไปแต่นี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจประกอบคุณงามความดีเราก็ได้รับในส่วนที่เราตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อเคยตะกอนว่าตะกอนท่องปฏิโมก์ไม่ได้อย่า ง, างนี้แหละตอนนี้หลวงพ่อจะจะท่องที่ไหนหลวงพ่อกอล้มเหลวเหมอนกันะพอจะท่องที่ไหนก็ล้มหลวงพ่ อ, อ, พ อ, อตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกจะท่องปฏิโมกให้ได้ภายในสามเดือนเนี้ยในพรรษาเนี้ยจากนั้นก็มีความมุ่ง ม, มัน่นเพราะมันเคยล้มเคยล้มเคยล้มมาแล้วแต่ทนี้ถ้าถ้าหาว่าไม่ได้ขอให้ได้สักสามคำต่อวันหนึ่งได้ไหมเอ้ทีนี้ก็พยายามเลยนะแต่วันไหนมากวันไหนมันซ้ำกันนะมันก็ได้เกือบเป็นหน้าสองสามหน้าทีนี้แต่ถ้ า, าว่ามัน วันคําไหนมันยากๆมันจํายากๆ ก, ก็ได้สี่ห้าหกแถวเนี่ยผลในสุดเพียงเดือดครึ่งเทนั้เองปฏิโมกจบเลยอันนี้คืออะไรอันนี้หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าคือความตั้งใจคือความสนใจถ้ามีความตั้งใจมีความสนใจแล้วสิ่งนั้นก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สนใจก็อย่างที่หลวงพ่อท่องปฏิโมคกคก่อนหน้านั้นท่องไปแสดงกลล็ล้มเหลวล้มเหลวมันไม่เกิดมันไม่จริงจัง เพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงสามเดือนเนี่ยพรรษาที่จะผ่านไปชื่อจะถึงเนี่ยเข้าพรรษาละวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้ตรวจตราดุล ต, ตัวของเราตัวของเรามีอะไรบ้างที่มันยังแก้ ย, กยากๆปรับยังยากปรับปรุงแก้ไขา ย, ยากๆมีอะไรบ้างอย่างว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเนี้ยพวกเราเข้าไปหาหมอ หมอก็จะต้องบอกกล่าวอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นสูบบุหรี่ไหมเขาต้องถามงดได้คดีนะเพราะว่ามันเป็นอันตรายหลายๆอย่างอันนี้ถ้าหากว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านงดบุหรี่งดยากเลือเกินเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ดูสิเป็นยังไงสามเดือนจะไม่แตะต้องบุหรี่เลยงดสูบบุหรี่หลวงพ่อว่าก็จะเป็นผลดีเราก็ใช้อย่างอื่นอมซะนี่ ถาไม่สูบงดบุหรี่สามเดือนเป็นยังไงแต่เมื่อลงดได้แล้วเราก็งดไปเรื่อยๆอย่าไปสูบอีกนะ เ, เพราะมันดูแล้วอ้างดูเหตุผลก่อนว่าเราสูบได้อะไรเสียเป็นยังไงเสียก็คือสุ ข, สขภาพของเราถงุงถุงลมปง่งพองอย่างนี้หรือเป็นมะเร็งในปอดอย่างนี้หลายๆอย่างแต่ถ้าว่าเราแน่จริง หมอสั่งแล้วบอกว่าหมอบอกว่าไม่ควรสูบบุหรี่แต่เราสูบถ้าเผื่อเป็นอะไรมาเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเอเพราะว่าข้าต้องการข้าชอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้าเป็นอะไรไปข้างก็ต้องไม่ไม่ต้องไปหาหมอเอถ้าเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นก็ใช่ก็จริงนะดีนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิทั้งที่หมอห้ามเอตัวเองก็สูบพอสูบเข้าไปพอเป็นอะไรเข้ามากเข้าไปหาหมอพอหมอเขาว่าให้ดีๆมทั้ทงที่เราก็ อายุก็มากแล้ว3 0 2 0ิบี่สสปีแล้วน่าจะรู้เรื่องแล้วก็ให้หมอเขาว่าให้หลวงพ่อว่าไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดในพวกเราทังงดได้ก็ดีหลวงพ่อว่านะข้อที่สองสุร า, ส, ราสุราเมริยะมัชฌาในสามเดือนข้าพเจ้าจะงดดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดจะไม่ดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดในสามเดือนที่จะถึงเนี่เพราะว่าการดื่มเหล้าของเราเราดื่มมาแล้ว นึกย้อนหลังดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เป็นผลเสียสมมากกว่าพอดื่มเข้าไปแล้วขาดสติพอขาดสติแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็เพ้อเพอก็ทะเลาะวิวาทกันอีกอวงสาคานายาสามีพัญญาลูกเต่าเล้าหลานไปที่ไหนเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายดื่มสุรากลัวจะไปหกไปลบกลัวจะไปเป็นอันตราย เพราะนั้นในสามเดือนที่ข้าพเจ้าจะงดเล่าโดยเด็ดขาดฮะอันนี้ก็อยากจะให้พวกเรามีคําสัต์จริงกับตนเองนะฮะจากนั้นก็ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระเพราะเราเป็นพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ายังไม่เกิดไม่เคยไหว้พระกราบพระเป็นประจําเลยตื่นมาบางทีก็ลุกไปเลยบางทีก็ จะนอนก็นอนเลยอย่างนี้แต่สามเดือนนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้ขาดทดลองดูสิสมที่ข้าพเจ้าเป็นพุทธธรรมกะพุทธบริษัทจริงจริงๆห ร, รือไม่อันนี้ก็ก่อนนอนแล้วก็กราบพราซะอรหังสัมมาสัมโพโตวสวากโตสุปฏิปโนว่าน้โมสามจบจากนั้นก็ใช้คาําที่หลงองปุระหลงปุราที่คณะธรรมทานทัวนี่หลงปุระได้ตั้งชื่อให้ ทำมาทานาพุทธธรรมสงเวรองปุ ล, ลาตังอันนี้พวกเราทำมาทานถึงทำมาทานก็เถอะนะก็ที่ เ, เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันก่อนที่เราจะไหว้พระอย่างที่ว่าเนี่ยนะอะหังสัมมาสัมพ โ, โตสวกโตสุปฏิปโนนโมตสะพระกัมวโตสามจบจากนั้นเเราพูดเป็นภาษาใจของเราเลยนะเอาภาษาใจของเราพูดเลย ไม่ต้องว่าอาหังสุกิตโตโหมินิตุโขโหมิเราจำไม่ได้เราจำยากแล้วไม่รู้ว่าแปลยังไงอีกเราเอาคำแปลตรงๆเลยว่าคือเมตตาคือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาก็อคือผมว่าวิหารเมตตาก็คือปรารถนาคนอยากจะให้คนอื่นเป็นสุขนะอาหางสุกิตโตโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขความแปลนะสัพเพสตาสุกิตาหนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข เพราะนั้นเราพูดง่ายๆเลยเมื่อว่านโมสามจบเสร็จแล้วเราก็ว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขสัพพสัตทั้งหลายวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นสรรพสัตว์อื่นวิญญาณอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานี่แหละคือเมตตาในใจแหละถ้าว่าเรามีอารมณ์โมโหโทโสชุนให้แก่ใครอยู่นะ พอก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาซะถ้าเราไปชุนไปโมโหเขาเขาก็เป็นทุกข์นะเราก็เป็นทุกข์อีกต่างหากเพราะนั้นข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขบริกรรมอย่างนี้นี้คือแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นในพรรษานี้หลวงพ่ออยากจะให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดนปฏิบัติตนอย่างนี้แล้วก็เราอยู่ในบ้านในเมือง ที่ได้ทินใดก็ตามถ้ามีพระสงฆ์มาบิณฑบาตในพรรษานะพวกเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใส่บาตรทุกวันดีไหมวันละองนะวันละอง ค, นะองค์ถ้าไม่ได้อาทิตย์หนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ใส่สักองคหนึ่งได้ไหมอันนี้คือเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพวกเราทำอย่างนั้นก็ยังไม่ได้อีกอยู่พวกเราก็เอากระปุก หมูกระปุกหมากระปุกเอกระต่ายก็ได้ใช่มาหยอดหลังมันใช่ไหมเออข้าพเจ้าอยากจะทําบุญทุกวันไม่ให้ขาดเอ้ข้าพเจ้าทําบุญกับองค์งหลวงตามหาบัวอย่างนี้แหละเลยวันข้าพเจ้าจะสร้างพระใหญ่ภูก้อนอย่างเนี้อ่าเลือข้าพเจ้าจะสร้างโรงพยาบาลศรีนครินกับหลวงพ่ออินอย่างนี้อ่เราก็หยอดหลังเออหลังกระต่ายก็ได้ทนี่ไอมทุกวันทุกวัน เป็ น, เ ป, นเป็นการใส่บาทอ่างั้นวันนี้เราต้องการกินนม ฮ, ฮเราต้องการทานนมสดวันนี้นมสดกระป๋องหนึ่งเท่าไหร่ฮเราก็ใส่ลงเท่านั้นแ่ะถ้าเราจะใส่สีองค์อ่ะเราก็ใส่เขไปเหมือนกับนมสีกระป๋องอย่างนั้นะเละพอเรารู้ราคามันอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันคนที่มีจิตใจเอื้ออาทรรือว่ามีจิตใจเป็นกุศล น, นะ เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากการทำมาค้าขายก็จเจริญ น, นะเพราะคนมีจิตใจเป็นกุศลจิตใจเอาน้อมโน้มน้าวไปทางฝ่ายกุศลจิตใจไม่แห้งจิตใจไม่แข็งกระด้างนะนี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะพระพุทธเจ้าสอนพวกเราสาหรับอุบาสกอุบาสิกาและท่านสอนให้ทานนะทานศีลภาวานาะ ทานก็คือการเสียสละนี่แหละนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถาาว่าพ่อแม่เราอยู่มีอยูเอ่เราก็บริจาคหรือว่าทำบุญทําทานกับพ่อแม่ของเราก็ได้ซื้อนมไปถวายท่านขนมไปถวายท่านไปให้ท่านรูดยุกยาไปให้ท่านเสื้อผ้าไปให้ท่าน เ, เราเก็บรวบรวมได้แล้วอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลมหาศาลเหมือนกันคือดูแลอุปถัมภถบิดามารดาของเราเจากนั้นก็ ช่วยสาธารณประโยชน์อย่างโรงพยาบาลโรงล่ําโรงเรียนอย่างเนี้ยเราก็ช่วยถ้ามีการขุศนขึ้นมาถ้าเรามั่นใจเออถ้าเราทําไปแล้วคงจะมีมีการต้มการตุนแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่ามันมีการต้มตุนกันได้ได้มากที่สุดง่ายที่สุดแต่เราจะพอพอเขาบอกมาเราจะทําเอาเฉลยอย่างงั้นก็ก็ไรยอยู่นะต้องไขควรพบทวนไตรตรองดูให้ดีซะก่อนเพราะทุกวันนี้มัน ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นการทํํทาทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราต้องคิดให้ดีซะก่อนค่อยทำนะคิดให้ดีซะก่อนค่อยทำว่าทำอันนี้เพื่อประโยชน์อะไรส่วนรักษาศีนก็อย่างที่หลวงพ่อหรือ ว, ว่าพวกเรารับสูรับสาบถ้าได้ศีนห้าในพรรษานี่ก็จะดีถ้าไม่ได้ศีนห้าก็ทุกวันพระหรือวก็ทุกวันเสาวันอาทิตย์ได้ไหมวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ ง, งเราจะรักษาศีน ห้าสักวันหนึ่งได้ไหมข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าไม่ประพฤติผิดในกรรมข้าข้าพเจ้าจะไม่โกหกมุสาไข่ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุรานีอันนี้ก็คือศินห้าแล้วเราไม่ต้องมารับกับพระหสินห้านะเราตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจก่อนตื่นนอนตอนเช้ามาเราไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปของเรานะอยู่ที่บ้าน เออวันนี้เป็นวันอาทิตย์ อ, อหรือวันเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์รักพพทรัพย์ประพฤติผิดในการไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มธุระอันนี้ก็เป็นศีลแล้วไม่ยากเรื่องการรักษาศีล น, นะเ อ, อเราไม่ต้องไปหาพระและ้วก็ไม่อย่างพันเต <c oughs> อย่างที่พวกเราเห็นในสาสนาพิธีอันนั้นเีป็นเพียงสาสนาพิธีแต่ถ้าหาว่าไม่นั่นก็อย่างที่หลวงพ่อได้โพดนี่แหละ ทำไมทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลศีลพวกเราได้ยินแล้วก็พอคาว่าศีลเนี่ยพวกเราก็สุดเอื้องหรือว่าเบื่อหน่ายไอ้คำว่าศีลธรรมเป็นคนคือคนล้าสมัยที่พวกที่พูดเรื่องศีลธรรมเข้ามาแต่ตามให้จริงพวกเราต้องการปดต้องการผลนะผลของศีลธรรมเราต้องการแต่เราไม่ต้องการเหตุ เหตุ hate, คือก า, การกระทำนี่เราไม่ต้องการเพราะได้ยินว่าจะรักษาศีลเหตุ hate, ให้รักษาศีลเนื่องเหตุเราไม่ต้องการแต่ผลของศีลนนะ่ะเราต้องการทุกคนคนใครๆก็ต้องการต้องการผลของศีลแต่ไม่ต้องการ hate. เหตุแหมแต่าตามไม่จริงผลมันก็มาจากเหตุถ้าให้รักษาถ้าไม่มีเหตุะก่อนมันก็ไม่มีผลเพราะนั้นการที่ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์คืออย่าฆ่ากัน มนุษย์อย่าฆ่ากันและก็อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะชีวิตของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคานาญาตของเขาเขารักสงวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันพ่อแม่พี่น้องสามีพันยาลูกเต้าของเราเราก็รักถ้าใครมาฆ่ามาทําร้ายละ่ะเราเสียใจยไหมเราก็เสียใจยถ้าเราไปทําร้ายคนอื่นเขาละ่ะเขาเสียใจยไหมเขาก็เสียใจยเพราะนั้น ถ้าพวกเราไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันตีไหมหถ้าหาว่าเราคิดให้ไกลแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าใช่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฆ่ากันเป็นผลดีเพราะเราก็กลัวตายเหมือนกันแล้วก็เสียใจเหมือนกันเมื่อพี่น้องถูกฆ่าน่ะอาทินนาธานนะทานของเราเรากครักของคนอื่นเขาก็รักสิ่งของของเขาถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาเสียใจไหมเออไม่ควาว่าขโมยขโมยคำนี้มันมี วางขวางเหลือเกินอย่างไปขโมยเด็กลูกของเขาอย่างนี้ไปขโมยลูกของเขาไปขายอย่างนี้อย่างที่พวกเราได้ยินไปขโมยสามีพันยาคนอื่นเขาไปขโมยรถรถลาของเขาไปขโมยงัดแง่สิ่งของของเขาเนี่ยเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจถ้าเขามาทำให้เกลเราล่ะเราเสียใจไหมเสียใจถ้าทุกคนเคารพสิทธิ์เจรจากันไม่ขโมยของกันดีไหมอันนี้พวกเรารับ นั่งคิด น, นั่งนึกหลับตาดูกัแล้วกันพวกเราถ้าหากว่าไม่เห็นแก่ตัวมากก็คงจะวาดดีนะถ้าเห็นแก่ตัวแล้วก็ยังวา อ, อใครจะเป็นยังไงก็ช่างขอสำคัญค่าได้อย่างเดียวเยียบดะาไปหมดออขอให้ค่าได้ก็แล้วกันอันนั้นก็ยังว่าอันนั้นพูดไม่ได้ถ้าประเภทอย่างนั้นออสอนไม่ได้เพราะ ง, งั้นเถอะปรตถะประมะในหลักของพระพุทธศาสนาและกาเมสุมิชาจาระบา้ กามีสุมิทสาจาราเวรมณีสามีพันยาลูกเต้าของเขาเขารักถ้าของเราล่ะเราก็รักถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปล่วงล้ำเขาล่ะเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะฉนั้นถ้าเขาพวกเราเคารพสิทธิ์กันดีไหมแอมถ้าไม่เห็นแก่ตัวมากกขยังว่าเอมก็ต้องว่า ด, ดีแล้วก็ข้อที่ห้าข้อที่สี่มูสาวาธาการโกหกหลอกลวงต้มตุนเขา เขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกหลอกลวงต้มตุนเราล่ะเโคดโกงเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าไม่ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันดีไหมเอบก็จัดว่าตีถ้าไม่เห็นแก่ตัวอย่างที่ว่าแตข้อที่ห้าชุราเมรยะฆ ม, มาชะปมาการดื่มชุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราก็รู้อย่าแล้วว่าดื่มสุราเข้าไปก็ต้องเมาเมาแล้วก็ต้องขาดสติ คนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างอย่างที่พวกเราเคยเห็นในสื่อต่างๆเอเห็นไหมพอดื่มสุราแล้วก็เอฆ่าพ่อข่าแม่อะไรด่าไปหมดเลยทีนี้เพราะเหตุไดเพราะคนขาดสติเพราะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปนต้องขาดสติแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นคนดื่มสุราแล้วจะไปดื่มทำใหม่นะ เ, เราจะไปดื่มทําไมรู้อยู่แล้วมันจะขาดสตินะ เ, เป็นความผิดของใคร เป็นความคิดของเราเองเราไปทําเองใช่ไหมเราดื่มเองใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปแล้วต้องขาดสตินะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าจะว่าไปแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากถ้าหาว่าคนขาดศีลธรรมขาดศีลห้ามากๆแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของเราอย่างลุงพ่อเนี่ยได้หนังสือ <c oughs> เขาส่งมาให้วันว า, นวานมันก่อน ร่างรัฐธรรมนูญกำลังจะผักดันออกมาอยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อให้ความเห็นว่าเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไดถูกต้องออพูด เ, เรื่องละเอียดละ อ, อ, เ, อ, อเกี่ยวกับการไม่คดโกงยังไงการเลือกผู้แทนอย่างนี้ยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งนะ อ, อย่างประโยคประเด็นผู้แทนอย่างนี้ซื้อเสียยังไงคดโกงยังไงเล่เหลี่ยมยังไง ต่างคนก็ต่างพูดกันมากมายในสภ า, เ, าเหมือนกับจะว่าน้ำํำปลายจะท่วมสภาลักษณะนั้นใครคิดเห็นก็ถูกว่ากัน้นแตอแต่หลวงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้นะอย่างพวกเราเห็นนะี่ยหลวงพ่อเออหลวงพ่อมีความเห็นเหมือนกันเพราะหลวงพ่อก็บคนในชาติเนี่ยถ้าหาว่าชาติไทยล่มจมแล้วหลวงพ่อจะอยู่ได้อย่างไรอไปอยู่เมืองลาวเขาก็หาว่าหลวงพ่อเป็นพระเมืองไทยอีกเหมือนกันนะนะั่นเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยเออ หลวงพ่ออยากจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะ่ะกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเ็เลยบอกไว้ว่านี่นี่นะถ้าให้หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นพวกท่านทั้งหลายจะแต่งตั้งหรือจะพูดกันมากมายมหาศาลขนาดไหนก็เถอะพูดกันทั้งวันทั้งคืนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อปกครองประเทศชาติแต่ถ้าหากว่าคนในชาติขาดที่ริคือความละอายแก่ใจ โอต ป, ปะคือความกลัวต่อบาปสองอย่างเท่านี้แหละกฎหมายทุกฉบับละเอียดละ อ, อขนาดไหนไร้คุณค่าไร้ประโยชน์กับคนไม่มีฮิริกโอต ป, ปะเออถ้าว่าคนมีฮิริกโอต ป, ปะแล้วนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมากใจเขาใจเราอย่างที่สินห้าพระพุทธเจ้าอย่างที่ลุงพ่อได้พูดนั่นนหะถ้าเราไปฆ่าเขาละ่ะถ้าเขามาฆ่าเราล่เพียงแค่นี้แหละฮีมีฮิริคือความละอายแก่ใจไม่ทำ และอดตปะคือความกลัวต่อบาปเขาไม่ทำํำนี่แหละถ้าหาว่าคนในชาติมีฮิริกแโอดตปะสองอย่างเอกฎหมายบ้านเมืองก็จะปกครองได้ราบรื่นเรียบร้อยสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่คนขาดฮิริกและอดตปะปาแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ต้องสงสัยอแล้วทีนี้ถ้าหาว่ามาย้อนถามว่าเอา้าหลวงพ่อพูดพูดได้เออ แล้วจะทำยังไงจริงจะให้คนมีฮิริกระอดตปะละ่ะมีวิธีการไหมหลวงพ่อบอกว่ามันก็ตดสุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายํำนึกํานึกผิดแล้วก็เห็นผิดํานึกเออตรงนั้นมันผิดแน่แน่ต่างคนก็ต่างํานึกเออการกระทำสิ่งนั้นไม่ดีไม่ควรจะทำแล้วก็หันหน้าเข้าหาศีลธรรมนะเออหาศีลธรรมคือหาหลักเหตุผลนะเข้ามาหาหลักเหตุผล เขามายึดยึดหลักเหตุผลบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะทุกคนมีหลักเหตุผลแต่ถ้าว่าพวกเรา เ, เกลียดชังเกลียดชังหลักเหตุผลเกลียดชังธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วบอกไว้แล้วเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนกลุ่มใดก็ตามคณะใดก็ตามบุคคลใดก็ตามเกลียดชังธรรมคนกลุ่มนั้นคณะนั้นบุคคล น, นั้นเป็นผู้ฉิบหายนะฟังดูซิ คนเกียรติชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้จิบหายพวกเราเป็นยังไงถ้าว่าพวกเราเกลียรติชังหลักเหตุผลแล้วมีแต่หันหน้าเข้าหาอะธรรมนะเออหันหน้าเข้าหาทางผิดเออคด้ดใครค้ดได้โกงได้โกงบ้านโกงเมืองพวกนั้นก็เป็นฮีโร่ของชาติส่งเสริมกันลูกหลานขึ้นมาเอา้าค้ดมันเลยโกงมันเลยอย่างนั้นคือหันหลัันหน้าสู่อาธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องละหันหลังให้ หลักธรรมคือหลักเหตุผลหลวงพ่อว่าบ้านเมืองเดื อ, ด, อดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดจะเดือดร้อนมากกว่า น, นี้อีกต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเราไม่หันหน้าเข้ามาหาศีลธรรมไม่ปรับปรุงกายวาจาใจของเราการที่จะให้ผู้อื่นมีศีลธรรมนั้นอันนั้นมันก็ยากอยู่แต่อย่างหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินกําลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเออพราะพระเจ้าท่านบอกว่ารักษาศีลห้านะ สินห้ามีคุณค่าอย่างนี้นะแต่หลวงพ่ออินพิจารณาดูแล้วอื้อใช่สินห้าของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนและสังคมเอาเถอะคนอื่นไม่รักษาสินห้าหลวงพ่ออินจะรักษาแน่ไม่ว่าจะรักษาสินห้าสินสยี่สิบเจ็อีกต่างหากว่า ง, งั้นเถิหลวงพ่อจะรักษาอยู่ในศีลธรรมให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างมากเพราะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้านี้พูดถูกแล้วข้าพเจ้าจะนับหนึ่งจะข้าพเจ้าจะเป็น พระที่ดีเป็นคนที่ดีเพราะนั้นพวกสัตว์พวกศรัทธาญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่นะทุกทุกท่านอยากจะให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แนหะถึงใครจะไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่ได้ยินแล้วว่าศีลธรรมศิลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อตนเองควรจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะรักษาศีล <c oughs> คนหนึ่งข้าพเจ้าจะมีคุณธรรมคนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะมีจริยธรรมคนหนึ่งสิ่งที่มันไม่ดีแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทําโดยเด็ดขาดนะให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าไปนะเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราทําอย่างนั้นได้นะโลกทั้งโลกก็จะประสบความสงบร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนไม่ต้องสงสัย